เรื่องเชือกหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดจึงดึงเชือกที่หญิงจับไว้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังคาทิเศหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังคาทิเศตแต่ต้องอบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่16